เรื่องยกย่องพระมหาเทระสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโศเป็นพระมหาเทระอีกอง์หนึ่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นยกย่องด้วยคุณสมบัติพิเศษคือเป็นนักปกครองชั้นเยี่ยมมีความซื่อสัตย์มีผลงานที่ผู้บังคับบัญชายอมรับมีความขยันและอดทนสูงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่พระอริยเจ้าข้อหนึ่งที่ว่าเป็นนักอุกคลองชั้นเยี่ยมไม่กล่าวถึงคนทั่วไปก็รู้ข้อ2มีความซื่อสัตย์ท่านเป็นธุระสนองงานให้คณะสงฆ์ตั้งแต่อายุ23ปีมาตลอดผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความอดทนสูง ขยันประวัติศาสตร์จารึกไว้ในธรรมเนียพระเทระฝ่ายบริหารว่าไม่มีใครเทียบเท่าสมัยไปเป็นเจ้าคณะมณฑลจำปาสักต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากจำปาสักสู่กรุงเทพเพื่อราย ง, งานราชการคณะสงฆ์และให้คำแนะนำในการทรมาหากินแก่ชาวบ้านอันเป็นนโยบายของสามพระองค์พ่อลูก คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิรญ า, านนวรโรรสที่ให้ไว้แก่คณะสงฆ์ในสมัยนั้นแม้ท่านพระอาจารย์ก็ยึดถือมาตลอดดังคําอบรมสิทธิผู้จะออกแสวงวิเวกว่าการสอนคนหมายถึงสอนชาวบ้าน ต้องสอนปากสอนท้องให้เขาอิ่มก่อนจึงสอนศิลธรรมสมเด็จนำคณะเดินทางจากจำปาสักมาถึงช่องเม็กจะเข้าเขตอุบลราชธานีบังเอิญพระที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันล้มป่วยเสียชีวิตลงเหลือโยงคอยนำสเสบียงเดินทางสองคนเดินทางมาด้วยกันสี่คนตายสัคนหนึ่งช่วยกันหาฟืนเผาเสร็จแล้ว ออกระดูกใสา ย, ยามสภพายมามอบแก่มารดาบิดาของเธอทั้งหนักกระดูกตนเองและยังหนักกระดูกเพื่อนท่านพระอาจารย์เล่าไปหัวเราอไปท่านชมเชยความอดทนสูงของสมเด็จมากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสท่านปฏิบัติหน้าที่มาจนแก่เท่าได้พักไม่กี่ปีก็มรณภาพ